ตราบใดยังไม่ถึงจุดหมายยังมีชีวิตอยู่ก็ต้องศึกษาความหมายของธรรมะที่ปฏิบัติจึงวัดด้วยไตรสิกขาอีกเรื่องหนึ่งที่อยากจะพูดไว้คือเกณฑ์วินิจฉัยความหมายของหลักธรรมในพระพุทธศาสนาว่าปฏิบัติอย่างไรถูกอย่างไรผิดเวลาศึกษาหลักธรรมต่างๆเรามักเน้นเรื่องความหมายกันแค่ว่า ธรรมะข้อนี้คืออะไรมีความหมายว่าอย่างไรแต่การให้ความหมายเท่านั้นยังไม่พอต้องมีเกณฑ์ที่สัมพันธ์กับระบบทั้งหมดได้ธรรมะทั้งหมดสัมพันธ์ส่งผลต่อกันเป็นกระบวนการและอยู่ในระบบเดียวกันอย่างที่พูดถึงไตรสิกขาก็เป็นระบบในตัวของมันแล้วระบบของไตรสิกขานั้นก็ยังไปเป็นส่วนย่อยที่รวมอยู่ในระบบใหญ่ของอริยศสตร์ ที่คลุมระบบใหญ่ของธรรมชาติทั้งหมดอีกชั้นหนึ่งคือว่าด้วยกฎธรรมชาติที่ครอบคลุมทั้งความเป็นจริงของธรรมชาติทั่วไปและโยงมาถึงชีวิตมนุษย์ที่เป็นธรรมชาติส่วนหนึ่งด้วยเกณฑ์ที่จะใช้ตรวจสอบนี้ต้องให้เห็นความสัมพันธ์เชื่อมโยงในระบบเกณฑ์หนึ่งก็คือตรายศิขาเองนั่นแหละเนื่องจากว่าคุณสมบัติและข้อปฏิบัติ หรือหลักธรรมทุกอย่างก็อยู่ในกระบวนการปฏิบัติที่เรียกว่าไตรสิกขาทั้งหมดไม่เกินจากนี้ไปได้เมื่อเป็นเช่นนั้นมันจะต้องมีส่วนร่วมส่งผลอยู่ในกระบวนการของไตรสิกขาไตรสิกขาคืออย่างไรคือกระบวนการศึกษาฝึกฝนพัฒนามนุษย์กระบวนการนี้มีข้อปฏิบัติย่อยๆที่ส่งผลต่อทอดกัน คืบหน้าไปเรื่อยจนกว่าจะถึงจุดหมายถ้าไม่ถึงจุดหมายก็ต้องไม่หยุดเพราะฉะนั้นก็เท่ากับมีเกณฑ์ที่บอกว่าข้อปฏิบัติหรือหลักธรรมทุกข้อเราจะต้องชัดว่ามันส่งผลใ้มีการก้าวหน้าไปในกระบวนการของไารสิกขาอย่างไรคือจะต้องทำให้เราเดินหน้าและส่งผลต่อให้ข้ออื่นรับช่วงไปจนถึงจุดหมายสุดท้ายนั้น รวมความว่าธรรมะต่างๆที่เป็นองค์ประกอบในกระบวนการไตรสิกขานี้ต้องมีลักษณะ ส, สองอย่างคือหนึ่งทำให้คือเคลื่อนหรือก้าวหน้าไป 2. ส, ส่งผลต่อข้ออื่นตัวอย่างเช่นในการปฏิบัติสมาธิเราได้ความหมายของสมาธิไว้แต่ต้นว่าจิตตั้งมั่น สงบแนวแน่พอจิตตั้งมันสงบแน่วแน่ได้ตามความหมายแล้วเราก็พอใจนึกว่าถูกแล้วแต่ยังหรอกลองเอาเกณฑ์มาตรฐานมาวัดว่าถูกตามหลักตรายสิกขาหรือไม่พอวัดด้วยเกณฑ์นี้เราก็จะมองเห็นต่อไปอีกว่าอ๋อถ้าปฏิบัติสมาธิถูกจะไม่ใช่หยุดอยู่แค่นั้นคือไม่ติดอยู่แค่สมาธิ แต่สมาธิต้องช่วยให้เราก้าวต่อไปแล้วก็ดูว่าสมาธิส่งผลต่อปัญญาอย่างไรถ้าไม่ส่งผลต่อก็แสดงว่าพลาดสมาธินั้นมีผลดีหลายอย่างมีทั้งผลโดยตรงและผลข้างเคียงเช่นทำให้จิตใจสงบสบายมีความสุขทำให้จิตใจมองเห็นอะไรชัดเจน และทำให้เกิดกำลังทำให้มุ่งเน่าไปอย่างแรงเหมือนกระแสน้ำที่ไหลลงมาจากภูเขาวิ่งไปทางเดียวมีกำลังแรงมากเจออะไรก็พัดพาไปได้สรุปว่าจิตสมาธิมีคุณสมบัติหนึ่งมีพลัง 2. ส, สงบสบายมีความสุขสาม ใสมองเห็นอะไรอะไรชัดเจนเมื่อได้คุณสมบัติเหล่านี้เราก็เอามาใช้อย่างใดอย่างหนึ่งเช่นพอสงบสุขสบายก็อาจจะเอามาใช้ในการแก้ปัญหาชีวิตประจำวันเวลามีความทุกข์ก็มานั่งสมาธิให้จิตใจสงบเพลินสบายหายทุกข์ซึ่งก็ได้ประโยชน์อย่างหนึ่งแต่ยังไม่ถูกต้องตามหลักตรายสิกขา ถ้าใช้ประโยชน์เพียงแค่นี้ก็กลายเป็นหยุดไม่ก้าวต่อไปอาจจะเควยออกเป็นมิจฉาสมาธิได้แค่เป็นสิ่งกลมเหมือนยากล่อมประสาทเป็นต้นเอาแค่สบายไม่ต้องคิดต้องทาอะไรมีทุกข์ก็เข้ามาหลบซึ่งมีทางพลาดได้มากวิสุทธิมรรคบอกว่าสมาธินั้นเข้าพว ก, กันได้กับความขี้เกียจ บาลีว่าสมาธิสากุสะส ช, ชะปัคตาเพราะว่ามันสงบสบายก็โน้มเอียงไปทางเกียจคร้านเฉื่อยชาไม่อยากทำอะไรกลายเป็นตกหลุมความประมาทนั่นก็คือเริ่มเขวฉะนั้นการใช้ประโยชน์จากสมาธิจะต้องระวังถ้าใช้ไม่เป็นก็เกิดโทษได้ สังคมไทยบางทีศึกษาธรรมะไม่ตลอดกระบวนการและไม่มีหลักในการวินิจฉัยคนไทยไม่น้อยเอาสมาธิมาใช้แค่หาความสุขสงบสบายซึ่งก็ใช้ได้ในระดับหนึ่งท่านไม่ได้ปฏิเสธจะเอามาใช้เป็นเครื่องพักผ่อนจิตใจหรือแก้ปัญหาความทุกข์ก็ได้ยังน้อยทำให้นอนหลับได้ทำให้มีจิตใจสดชื่นขึ้นแต่ต้องมองต่อไปว่าประโยชน์ยังไม่จบแค่นั้น สมาธิช่วยให้เรามีความเข้มแข็งพร้อมที่จะเดินหน้าต่อไปด้วยจึงต้องมองต่อไปอีกว่าจะมีองค์ทมอะไรมารับผลจากสมาธิเพื่อจะก้าวต่อไปก็จะเห็นหลักในตรายสิกขาว่าจะต้องส่งผลต่อให้ปัญญามารับช่วงทำงานเดินหน้าต่อไปประโยชน์ที่สำคัญของสมาธิ คือทำให้จิตเป็นกรร ม, มนีแปลว่าควรแกงงานหรือเหมาะแกงงานคือใช้เป็นที่ทำงานซึ่งปัญญาจะทำหน้าที่ได้ดีเช่นมองเห็นชัดสำรวจตรวจสอบได้เป็นลำดับพิจารณาได้ลึกซึ้งวิเคราะห์วิจัยได้ละเอียดจนเข้าถึงความจริงแจ่มแจ้งสมาธิที่ทำให้คนหยุดศึกษาแสดงว่าเป็นสมาธิที่ใช้ผิด